เจริญไปตามมรรคมีองค์แปดแสดงว่าได้ยินเสียงแล้วเจริญสุจริตสามได้อากาศสุจริตวัตถุสุจริตมโนสุจริญได้ยินเสียงแล้วอบรมมรรคมีองค์แปดได้บอกว่าเออเนี่ยองคิดได้อย่างไงเนี่ยนะซึ่งเราก็เกิดมาก็ได้ยินเสียงมาอยู่แล้วแต่ว่าเราได้ยินแล้วแสหาเราเออเนี่ ม, นมันมันมันดีนะมันเพราะนะเนี่ยคือ่ถ้าได้ฟังอีกนะดีราคาเท่าไหร่น้อมีขายที่ไหนหรือว่าไปด้วย เอออะไรมาเติมที่ไม่เห็นสมุกเลยเ น, นี่ยนะเขาด้วยอำนาจแห่งอภิชากับโทมนัสแต่เพื่อนได้ยินเสียงแล้วเลือกเฟ้นเห็นโทที่ตักขยธรรมสามสิบเจ็ดนี่สิท่านได้ยังไงเ น, นี่ยนะอันนี้ถ้าหากว่าเพื่อที่ไม่ได้สั่งสมบุญมาเนี่ยแค่ฟังยังจะเข้าใจยากจะกล่าวไปใหญ่ถึงการเจริญเล่าจะเหมือนเข้าใจเลยใช่ไหมพี่ว่าเนี่ยเ อ, อพอเข้าใจไนหะเดี๋ยวทํารายงานมาชั้นก็เห็นวาถ้าเราก็ คือพระองค์ได้ยินเสียงพั๊ดเห็นอริยสัจเลยดิสิพระองค์ทำได้อย่างไรนะรู้แจ้งเนี่ยแล้วไม่ใช่ทวานเดียวด้วยนะทะวารตาทวารหูทวารจมูกทวารลิ้มทวารกายและทะวารใจทั้งภายในและภายนอกภายนอกนี่เท่าไราบอกเป็นหมื่นจักรวาลเอามาทําปริญญาเนี่ยนะไม่ใช่ว่าเอาแค่ว่าแค่ตัวเองเรื่องของตัวเองก็ไม่เคยรู้เนี่ยไม่ใช่เลยแต่องค์นี้เอาสัตว์ทั้งหมื่นจักรวาล น, นี่มาทําปริญญาพรอพระองค์ทำปริญญาในสัตว์ไว้ทุกหมู่เหล่าเนี่ยเห็นหน้าใครก็สอนเขาได้หมด พร้อมที่จะสอนได้หมดเลยโดยที่เรียกว่าไม่ต้องเตรียมข้อมูลแต่เขามีบางท่านเนี่ยนะพร้อมที่จะไม่สอนไม่รู้สอนตรงไหนเนี่ยนะมีพรามคนหนึ่งเข้ามานะพองนั่งนิ่งอย่างเดียวจนเขากลับไปนะก็ก็บอกทําไมพระองค์ไม่เตศเทศอะไรเขาบอกว่าไม่รู้จะสอนตรงไหนครับสอนไม่ได้อ่ะ ก็มบางกรณีก็ลักษณะเดียวกันเพราะพระ อ, องค์นี้เป็นผู้ที่โลภกกวิถีจริงๆรู้ว่าอะไรควรอะไรไม่สมควรเนี่ยนะรู้ว่าอะไรเหมาะสมอะไรไม่เหมาะสมอันนั้นเป็นสัมมาสัมพุทโธนะแล้วอยากจะเน้นมากถ้าที่ต้นทนต้นพระสีมหาโพเนี่ยที่ตรัสรู้เนี่ยอยากจะเน้นเกี่ยวกับเรื่องว่าสิ่งที่รู้ยิง่ออยงพระองค์รู้ยิง่งเลย สิ่งที่ควรกําหนดรู้โพล ก, กําหนดรู้แล้วสิ่งที่ควรละพระองค์ละแล้วสิ่งที่ควรทําให้แจ้มพองค์ทำให้แจ้งแล้วสิ่งที่ควรเจริญพระองค์เจริญแล้วเนี่ยนะถ้าจับไว้ตรงนี้เราจะรู้เลยว่าพระองค์แต่สรู้อะไรถ้าเราจับตรงนี้ไม่ได้ไม่เอาตรงนี้เป็นหัวข้อหลักในการศึกษาพระธรรมนะถามว่าเราจะศึกษาให้เป็นอะไรจบที่ไหนจบว่ายังไงจบแล้วแน่ใจนะว่ารู้แบบพระพุทธเจ้ารู้ แต่นะคือไม่ได้รู้เท่าอนะแต่เรื่องรู้เรื่องเดียวกันนะบางงั้นเถอะให้มันให้มันหมายความว่าไปที่เดียวกันมาไม่ใช่ว่าไปคนละที่มาแล้วคุยเรื่องเดียวกันเนี่ยนะก็มีคนเคยเห็นคนเถียงกันอ่ะนะเถียงกันคิดกันเคิดถึงคนละที่แล้วก็คุยกันอันนันเหมือนคุยเรื่องลูกนะเชื่อมานละสองคนก็คุยเรื่องลูกกันนะไอ้คนนี้ก็คุยเรื่องลูกเองไงคนนี้ก็คุยกัเรื่องลูกเองแล้วสองคนนี่มันคุยกันได้เอา พระทุกคนพูดแต่เรื่องลูกของตัวเองแล้วนะและ้วเขาคุยกันนะว่มันหน่าขานะอย่างคุยเรื่องงานก็เหมือนกันไอคนนี้ก็คุยแต่เรื่องงานของเขาไะไอคนนี้ก็คุยเรื่องงานแล้เปลี่ยนงานพูดคนละที <c oughs> เออได้แบบนี้ดีนะชีวิตทั้งหลายเนี่เป็นอย่างนี้จริงๆท่านก็ฉันใดเราคลองไม่เป็นอย่างนั้นนะให้มันเป็นเรื่องเดียวกันนะคือคือสิ่งเดียวกันกันกบที่พระพุทธเจ้า กระเสือ้แต่ว่าไม่เท่าถ้ า, าองค์ก็ให้มันเรือ่อยขอยมันอยู่ในในกลุ่มเดียวกันเรื่องเดียวกันทิศทางเดียวกันไม่อย่างนั้นก็ถามว่าไปที่ไหนเนอเนี่ยนะมันก็จะห่างไปสรุปแล้วว่ามาไม่ได้อะไรก็ช่างเถอเนี่ยลืมตาก็แยกให้เป็นวันนี้อะไรควรรู้ยิ่งอะไรควรกำหนดรู้อะไรควรละอะไรควรเจริญอะไรควรทาไม่แจ้งจับฉลักทารายงานมันนะ้องบนรถหน้ารถเน่ยใครนะว่าดีม้วนเย ม, <c oughs> ม้วนมาดี นับหนึ่งเลนะอะไนะให้ผู้การให้ผุ้การชี้แนวก่อนใช่ไหมให้ผู้การชี้แนวก่อนแล้วโยมว่านมีงาเป็นลูกมึงให้ะนะทำทำรายงานเนี่ยนะเอาเอ า, เอาอะไรดีอบอกว่าเห็นแขกคนหนึ่งเนี่ยเอามาด้วยว่าอะไรควรรู้ยิ่งอะไรควรกันเมื่อรู้อะไรควรและอะไรควรเจริญอะไรควรทําให้แจ้งเวลาเห็นแขกนะเงาดีไหมที่จริงโจ้นน่าสนใจมากนะเขามาอยากฟังมากเลยนะเนี่ยทาให้คุณนภ า, อาพอได้เดี๋ยวโดยรถใช่ไหม ขอได้นี่หมายว่าจะเล่าให้ฟังเหมือนเ่าบ่าคนณก็ใจไหวไหมเนี่ยเห็นเด็กเกิงผมเตียเนี่ยลองว่าดูที่อะไรควรกําหนดรู้อะไรควรรู้อย่างอะไรควรกําหนดรู้อะไรควรและอะไรควรเจริญอะไรควรทาให้แจ้งเนี่ยเนี่ยเก๊ออกมาเหอะเนี่ยก็ถ้าเจริญอย่างนี้ไม่ได้นะพูดตรงๆเลยนะอยากจะบอกว่าคุณไม่รู้เรื่องเลยว่าพระเจ้าตรัสรอะไรนะอยากจะบอกต้รงๆอย่างนี้เราว่าถ้าคิดอย่างนี้ไม่ได้นะ ไม่รู้หมดจริงๆแล้วเราศรัทธาพระพุทธเจ้านิสัทธาตรงไหนเพราะเขาก็เขาว่าดีอะเขาว่าดีเอามั่งเอามั่งะเขาชวนนับถือมานับถือตามพ่อตามแม่ไปอย่างว่านะก็ความไม่ใช่อย่างนั้นใช่ไหมเราทั้งหลายมันน่าจะยาณสัมปะยุทธมากกว่านั้นคือศรัทธาอย่างเดียวไม่พอหรอกที่จะทําที่สุดแห่งทุกข์ได้ก็อย่าเลยนะเอาหัวข้อไว้หหัวข้อเนี่ยได้ยินเสียงโลกมันร้องเนี่ยเอ๊ะอะไรควรรู้ยิ่งอะไรควรกําหนดรู้อะไรควรละอะไรควรเจริญอะไรควรทําให้เช่น อนะเราลองมาพิจารณารอบอย่างนี้ดูอ่นะเรามาคิดดูทุกเรื่องเลยนะทอได้ไหมพี่ไปเล่าให้ฟังมนรษย์เอาไหมสังเกตก็เงียบเลยทําเป็นไม่ได้ยินคือถ้าหากว่าจริงๆนะว่าสิ่งที่ควรกําหนดรู้หรือสิ่งที่ควรรู้ยิ่งเนะี่ยวิธีคิดง่ายๆว่าอคําว่าควรกําหนดรู้เป็นชื่อของอะไรทุกศาสตร์สิ่งที่ควรละคืออะไรสมุทัยศาสตร์สิ่งที่ควรเจริญคืออะไรมรรคศาสตร์ สิ่งที่คนทำไม่แจ้งคืออะไรก็นี่เรื่สัตว์ทันที่จริงแล้วนะอะเปลี่ยนวิธีเรียกชื่อหน่อยยังทําเป็นลืมไม่ได้ทําเป็นงงเลยว่าจริงว่าอะไรคนรก็มอรู้ว่านี้ชาติปีทุกขาชร า, าปีทุกขาเนี่ยแหละคิดไปเหอะไม่มีผิดหรอกนี้ตุ๊กเนี่ยนะก็ไม่ผิดหรอกนะนะตุกะ๊กภาษาเหนือภาษาไทยแล้วกี้ทุกๆก็คือมันเป็นอย่างนั้นจริง ๆ, นะๆนะก็ใส่ไปเลยว่าชาติปีทุกขาชราปีทุกขามรณะปีทุกขังถามว่ามันจริงแหล่ะเอาจริง แต่เนื้อชาจะเปทุกข์ขายอย่างนี้เป็นที่ตั้งแห่งปัญหาไห ม, ไมเป็นไม่ใช่ว่าแก่มากๆแล้วกิเลสมันจะเหี่ยวเฉาลงนั่นไม่ใช่เลยอ้วนขึ้นอ้วนขึ้นโดยซ้ําไปเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะวัตถุนั้นเป็นที่ตั้งแห่งตัญหาเนี่ยนะเป็นที่ตั้งแห่งตัญหาถามว่าทําที่สุดแห่งทุกเหล่านี้ได้ไหม จะพิจารณาสิ่งเหล่านี้โดยความเป็นของไม่เที่ยงแล้วน้อมไปหาสังฆตาธาตุได้ไหมเป็นต้นเนี่ยนะหรือเราจะประสมจะทำให้แจ้งอะไรเห็นยังไงเป็นสติประธานเป็นสัมมารประธานที่เราจะอบรมเป็นโพธิปักขยธรรมก็ต้องเอามาให้ให้มันเข้าสูตรอย่างนี้ก่อนถ้าหากว่าโครงสร้างหลักๆพื้นฐานเหล่านี้ไม่ค่อยแม่นหรือทําความเข้าใจไม่ดีพอเนี่ยนะ ถ้าใครบอกว่าเขาเป็นนักทำปริญญาเนี่ยเขามาจะแปลกใจมากเลยว่าเขาทำยังไงเนี่ยนั่เขาทำว่าอย่างไงเนี่ยนะเพราะว่าการทำปริญญาหรือการวิจัยการเลือกเฟ้นเนี่ยวิจัยเพื่ออะไรพระสูตรก็บอกชัดเจนนะว่าวิจัยเพื่อเห็นอริยสัจตรารพิจารณาของเราคู่ควรไหมที่จะเห็นอริยสัจเนี่ยนะอันนี้ถามว่าถ้าเราไม่เข้าใจตรงนี้ยากนะที่เราจะคบพระพุทธเจ้าได้ถูก พระพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นบุคคลที่รู้จักได้โดยง่ายเนี่ยนะพระอ้องไม่ใช่เป็นรูปผู้ที่คบง่ายนะไม่ง่ายนะคือคิดดูนะพะอ้องเนี่ยคบยากขนาดไหนยากถึงขนาดเรียกว่ายื่นบาดให้พระนันทานะพนันธาไม่กล้าถวายคืนเลยกลัวมากมา ก, มากเลยอะ่ะโอ้โหกลัวมากจนวะออคิดนะถ้าผ้องคงรับบาดเอาตรงนั้นคืนไปรับบาดเอาแม้แต่กท่านคิดจะถวายบาดคืนยังไม่กล้าเลยอะ่ะเพราะอะไรพราเกรงใจที่สุดกลัวที่สุดเนี่ยนะ แลเคยเห็นใครเป็นนั่งยาวเล่นกับพระพุทธเจ้าไหมไม่มีเนี่ย น, นะไม่มียิ่งถ้าเป็นสมัยพุทธกาเลเนี่ยนะถ้าพระพุทธเจ้าประทับนั่งปั๊บเนี่ยถ้าพิสูจเป็นพันรูปแม้แต่เสียงกแกล้มยังไม่มีเลยกริบเลยนะถ้าแกล้มปั๊บอีกรูปหนึ่งเอาเข่ากระทุ่งแล้พระองค์จะแสดงธรรมเนี่ยเงียบเงียบมิมิ่งอะเขาข้าขนาดนั้นโอ้โหเขาเกรงกลัวมากเลย ไอ้เคารพกเคารพอะกลัวก็กลัแลวแหละนัดถือก็นัดถือถวายชีวิตให้ก็ถวายชีวิตให้แต่ก็ไม่ค่อยกล้าเท่าไหร่นั่นนั่นก็เป็นลักษณะนั้นฮะถ้าพระเจ้าจริงๆแล้วพระองค์เป็นเช่นนั้นอันถ้าเราไม่ไม่อย่างนั้นเราจะไม่รู้จักพระองค์จริงๆรหรอกแล้วพระองค์ก็บอกด้วยว่าไอ้อย่างพระ้าหันมีความหมายหนึ่งใช่ไหมว่าไกลาจากคนไม่ดีทั้งหลาย ไกลจากคนผ่านทั้งหลายไกลจากคนที่ไม่ได้อบรมกายไม่ได้อบรมสีไม่ได้อบรมจิตไม่ได้อบ ร, ม, ม, อบรมปัญญาผู้มากไปด้วยราคะโทสะโมหะเนี่ยนะเป็นผู้มากไปด้วยบาปและอกุศลเป็นผู้ไม่มีอธิสีนอธิจิตอธิปัญญาเป็นต้นบุคคลเหล่านี้คือคนที่ห่างจากพระพุทธเจ้าองค์บอกว่าถึงจะเดินจับชายสังขติก็ยังชื่อว่าไกลพระองค์อยู่ดีเพราะว่าไม่มีคุณธรรมพอที่จะใกล้กันได้นะถึงตาด้วยกันก็ยังชื่อว่า ไกลกันอยู่นั่นแหละเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะพงษ์จากปนิพพานแต่คนผานทั้งหลายจะไปนรกเนี่ยนะมันไกลกันขนาดไหนตอนแรกเหมือนใกล้ใช่ไหมตอนอยู่ที่สนามบินเนี่ยนะกับสอยไปยุโรปเหมือนใกล้กันใช่ไหมตอนที่อยู่สนามบินตอนที่เรามาเนี่ยนะอีกเจ้าหนึ่งขึ้นไปยุโรปอีกเจ้าหนึ่งขึ้นมาอินเดียเนี่ยนะคนละเรื่องกันเลยนะตอนแรกเหมือนทําท่าจะใกล้แต่จริงๆแล้วไกลนี่ก็เหมือนกันเนี่ยนะปุตชนกับพระริยเจ้าทั้งหลายจริงๆแล้วไกลกันมากเนี่ยนะ มีพันพระองค์เนี่ยเป็นเต็มผ้าอรหันนั้นเราทลายทำยังไงเนอะเราจะได้ส่องเสริจพระองค์ได้คบพระองค์อย่างเต็มที่ไปที่ไหนก็จะได้ระลึกถึงพระองค์ท่านเนี่ยนะว่าเณนะที่ตรงนี้ผ้าอรหันเคยประทับนั่งอรหรันได้สำมาสัมพุทธเจ้าประทับนั่งประทับนั่งด้วยอะไรวิหารไหนบ้างตอนแรกก็อิริยาบถวิหารก่อนใช่ไหมนั่งต่อไป นั่งและนั่งเฉยเฉยใช่ไหมนั่งอยู่ด้วยทิพวิหารก็คือเข้าฌานสี่เป็นต้นเข้าด้วยพรหมวิหารก็อยู่ด้วยพรหมวิหารแล้วอีสุดท้ายคืออริยวิหารตอนพระองค์นี้เป็นผู้อาสนะพวกอาสนะต้องอยู่ในข้อเนี้ยอยู่ในที่เรียกว่าอาสนะอันเป็นทิพอาสนะอันเป็นพรหมและอาสนะอันเป็นอริยเนี่ยนะโดยเฉพาะที่เชตวันด้วยแล้วเนี่ยสิ่งที่เราควรจะคิดให้เบาๆให้มากๆคือเนี่ยเช่นที่ที่พรหมประทับ พระทับนั่งแสดงธรรมที่ตรงนี้คืออาสนะทิพย์อาสนะเพลมและอาสนะอริยะเนี่ยนะอย่างมูลพระคันพระคุติพระกุติที่พระองค์ประทับเนี่ยก็คืออาสนะทิะพย์อาสนะเพลมและอาสนะของพระอริยะเนี่ยนะพระองค์ให้เป็นไปด้วยอย่างนั้นถ้าเราไม่เข้าใจเรื่องฌานไม่เข้าใจเรื่องพรผงวิหารไม่เข้าใจเรื่องสามัญญผลทั้งหลายเราจะรู้หรือว่าพระองค์ประทับนั่งอยู่ด้วยอะไรเนี่ยนะ อันเราก็จะได้ระลึกถึงคุณของพระ อ, องค์ได้ถูกต้องนะถ้าเราเข้าใจอย่างถูกต้องแล้วพระ อ, องค์นี่อยู่ทุกแห่งเนี่ยนะทุกหนทุกแห่งอยู่ด้วยวิ ช, ชาและจรณะเพราะพระ อ, องค์เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยวิ ช, ชาและจรณะวิ ช, ชาสามวิ ช, ชาแปดจรณะสิบห้าพระองค์ไม่มีขาดตกบกพร่องเลยแล้วพระ อ, องค์ก็ไปดีอย่างที่กล่าวไปโลกาวิธูรู้แจ้งโลกอยู่ที่ไหนที่อยู่ด้วยความหลงไหลไม่มีเนี่ยนะอยู่แบบพระสัมมาสัมพุทธเจา้าผู้ตือนด้วย เติมด้วยไหเติมด้วยโพธิยานเตินบานด้วยสพยยนะนะัพพัญญุตญาณเนี่ยนะเพราะนั้นเป็นผู้ที่ขยันจะแนกใจเก่ง ธ, ธรรมรัตนะด้วยพระมหากรุณาอันนี้คือการการทําความรู้จักกับพระพุทธเจ้าอันนี้ถือว่าเป็นเสตตาปัฏิยธรรมข้ อ, ข, อข้อที่หนึ่งที่สําคัญที่สุดเนี่ยนะว่าการครบสัตบุรุษผการครบสัต์บุรุษในที่นี้หมายถึงคบพระพุทธเจ้าเนี่ยนะนะ คฟพระพุทธเจ้าถึงเราเกี่ยวข้องกับผู้อื่นก็เพราะว่าเชื่อว่าเขาจะช่วยให้เรารู้จักพระพุทธเจ้าถ้าหาว่าเกี่ยวข้องกับเขาแล้วเราห่างพระพุทธเจ้าเราก็ต้องทบทวนเหมือนกันเราเอเราเอาใคร เ, เป็นหลักกันแน่เราเรานับถือใครเรานี่มันนับถือศาสนาไหนอันนี้ก็ต้องให้มันชัดเจนหน่อยปันการคบศัตรุษก็คือการรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าผู้ใดรู้จักพระพุทธเจ้าแสดงว่ารู้จักอะไรด้วย ก็รู้จักพระธรรมถ้ารู้จักพระธรรมแสดงว่ารู้จักหมพระสงฆ์ทั้งหลายที่ปฏิบัติตามธรรมที่พระองค์สั่งสอนนั้นคําว่าคบสัตว์บุรุษนี้อมความว่าสารณคมดีเยี่ยมทีนี้เมื่อคบพระตระนัยดีเพียงพอแล้วพระตนะนัยจะใจให้เราโง่ไหม อ, อ่านะไม่ใจนะ พระงจะมาช่วยอ่านพระไตรปิฎกเราไหมเออถ้าเราศรัทธาพระ อ, องค์เราก็จะได้อ่านของพระ อ, องค์มากขึ้นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เช่นถ้าเราอยากรู้คุณของพระพุทธเจ้าถ้าเราไม่อ่านไม่ฟังไปต้นใดจะรู้จักคุณของพระ อ, องค์ได้อย่างไงเพราะฉะนั้นการฟังธรรมขก็จะมีมากขึ้นคําว่าฟังธรรมคือฟังอรยิยสัจก็จะฟังอย่าง มากขึ้นเนี่ยนะฟังอย่างใบฟังอย่างมากฟังเยอะมากเมื่อฟังฟังอริยสัจเกณฑ์มากขนาดนั้นแล้วเนี่ยถามว่าถ้าเราไม่คิดอริยสัจจะคิดเรื่องอะไรเนี่ยนะก็ต้องคิดเรื่องอริยสัจอยู่แล้วนี้ทุกเนี่ยนะเสียงนกที่มันร้องนี้ทุกไหมทุกอะไรบ้างอะทุกอะไรอ่าทุกกะทุกอันนันพราะนกก็ป่วยเป็นเนี่ยนะถ้ามันร้องทั้งวันมันจะไม่เจ็บคอบ้างเลยหรืไงเนี่ยนะนี้ทุกกระทุกเป็นน่ยนะต่อไป วิปริณามาทุกข์อ่ะนะทำเป็นดีใจเถอะเดี๋ยวก็ถูกเขายิงแล้วก็หนีตเลิศเปลืเปล่าหมดแหละอะนะวิปริณามาทุกข์เสร็จแล้วถามว่านกเที่ยงไม่เที่ยงควรควรจะมีอายุสุดสิบปีไหมไม่ถึงเนี่ยนะไม่มีโรงพยาบาลไม่มีหมอไม่มียา ม, มีอะไรไมาดูแลทั้งนั้นไม่รู้ป่วยไปตักตายอยู่ตรงไหนก็นไม่รู้เนี่ยนะพอตายปั๊บมันก็มีสัตว์อื่นเอารีบเอาไปกินอีกมันก็เป็นอย่างนี้แหละพลเขาก็คือทุกข์เนี่ยนะนั่นก็คือคติของคนที่ อะไรเพราะอะไรจึงไปเป็นอย่างนั้นคติของคนประมาทคติของผู้ที่ไม่รู้อริยสัจไม่เห็นอริยสัจเพราะคติของผู้ที่ไม่ทําปริญญาถ้าเราไม่ทําปริญญาในเสียงนกเนะี่ยกลุมเราอาจจะไม่ค่อยมีใครชอบฟังเสียงนกเนะี่ยอุ้ยบางคนมีความสุขกับการฟังเสียงนกมากโยอมยอมที่ ได้ขอนพนมเข้ามาผมเนี่ยนะครับได้ยินเสียงนกมันเหมือนได้ยินเสียงสวรรค์งองกันมันเสียงสวรรค์งองกันโอ้ยไพเราะมากอายุกคเจ็ดสิบกว่าแล้วแล้วก็นึกนะตาคนนี้ตาเนี่ยเป็นนกนไงไงเลยเนี่ยนะเหมือนเสียงสวรรค์เลยเพื่อนเอ้ยเขาคุยกับเพื่อนกับเพื่อนเขาที่เชียงใหม่เนี่ยนะผู้การธนัดอนะเพื่อนผู้การธนัดโอ้ยเพื่อนกันไม่ฟังเสียงมันไพเราะจริงๆนะโอ้ยอะไรงี้ย ข้าวปลาไม่เคยได้กินมนเวลาไรได้ยินเสียงนกมันเหมือนเสียงสวรรค์อยูงั้นผมฉันมีเยอะแยะไปหมดเลยนะ่ะเดีอยวว่ามันได้ขนาดนี้สิบางคนที่มีความสุขกับการนะมีความสุขกับการย้าเล่นกับนกอ่ะนะแล้วก็ไปบอกว่ขันที่ลูกขันที่ลูกนะอ่ะนะไปเอออยู่มีความสุขมากอ่ะนะที่ ด, ดูนะั่นนกมันเป็นที่ตั้งแห่งอัศวะท่าขนาดไห น, น อย่างนกของบางคนเนี่ยนะร้องให้พนกเลยแหละเพราะเพราะอะไรนะเพราะเขามีนกใช่ไหมร้องให้พนกคร่าครวนพนกความทุกข์ทั้งหลายที่มีเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านั้นเนี่ยนะอย่างอะไรนะศริกาทั้งหลายแหละเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นไม่เป็นที่ตั้งแห่งความกำ น, นัดความเพลิดเพลินนะ เป็นที่ตั้งแห่งบาปเป็นที่ตั้งแห่งอกุศสอย่างหาประมาณไม่ได้ทั้นถ้าเราไม่ไม่ทําปริญญาไม่พิจารณาอะไรให้เรียบร้อยเนี่ยนี้ทุกนเนี่ยเราก็จะจะไปกลเลยละ่ะแต่อย่าลืมนะทุกอย่างเป็นที่ตั้งแห่งตันหาหมดเลยเพราะในฐานะเป็นเดินเกิดแห่งตันหาเนี่ยนะทุกศาสตร์เนี่ยเป็นเดินแห่งตันหานีเป็นวัตถุแห่งตันหาอย่าคิดนะว่าสิ่งใดที่เราไม่พอใจแล้วเราอย่าคิดนะว่าคนอื่นก็ไม่พอใจกับเราด้วย คนอื่นจจะชอบมากเลยอนนะไรโดยที่สุดเนี่ยนะถ้าเราถ้าเราไม่สบายเนี่ยนะถามว่าบริษัทยาจะดีใจหรือเสียใจดีใจดีใจทังะด้ ว, ว่าความป่วยของเราก็ยังมีผู้ที่ก็ดีใจอีกอ น, นะอะไรถ้าเราตายมีคนเสียใจไหมมีคนดีใจั้ยโอ้ยเขาบอกว่าร้านนี้นะเคาะได้ยี่สิบสี่ชั่วโมงร้านอะไร ร้านขายโล่แย่าว่าเคาะได้24ชั่วโมงเรียกได้เสมอคำว่างั้นนะนะบอกว่าเมตตาเวลาไหนก็จะดีใจเขาจะเรี่มมาเปิดขายโล่ให้เลยนะเขาจะดีใจหมดเลยนี่นะก็เป็นอย่างนั้นจริงๆมันแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องเป็นที่ตั้งแห่งความดีใจและเป็นที่ตั้งแห่งความเสียใจโดยที่สุดนะถ้าพระฤาษีเนี่ยนะบริษัทช่างอู่เนี่ยเครียดเลยฮะโอ้ดีแล้วไม่แล้วลาบก้อนโตอนะก็แสดงว่าทุกอย่างในโลกนี้เป็นที่ตั้งแห่งอัศรพทั้งหมด เพราะการเห็นสมุทัยคือมองว่าสิ่งนั้นเป็นเดินไหล ม, นะ ม, มาแห่งตันหาเนี่ยนะเป็นเดินไหลมาแห่งตันหาที่นี่ทุกทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยมันเป็นต้นต่อที่ไหลมาแห่งตันหาเนี่ยถ้าเราจะดับตันหาได้เนี่ยจะต้องทํำยังไงสมมติว่ามันมีอะไรนะมันมีแท่นน้าอยู่แท่นนึงอนะที่มันไหลแต่น้ําสกรปรกไหลออกมาเนี่ยนะ ไหลเป็นที่เป็นเดนหลังแห่งน้ําสกรปรกออกมาเนี่ยเช่นแทงน้ําที่มันขี่นกเดิแต่หมดเลยนะแล้วก็หลังนอนหลังอะไรไหลมาอย่างงี้บ่อยๆถามว่าถ้าเราจะไม่ต้องการน้ําเหม็นชนิดนี้อีกต่อไปเนี่ยนะไม่ต้องการนี้ถามว่าเราทําไงคือบอกก็มีอยู่ทางเดียวคือทุบจนกว่าจะแตกทาําลายจนกว่าจะไม่มีไอ้ไอ้ถังน้ำอันนี้อีกแลว้วนั่นแหละจึงจ ะ, จะเรียกว่าหมดหมดอะไร จึงจะหมดน้ำเหม็นหมดอะไรเป็นต้นชั้นใดก็ดีถ้าตันหามันไหลออกจากตาเนี่ยนะค้นคว้าตาจนมั น, มนพองมันหมดนะจนกว่าจะแทงตลอดอาสางข่าตาพลาดนะั่นแหละจากนั้นตาจึงจะไม่เป็นที่ตั้งแห่งปัญหาถ้าวิจัยตา ย, ยังไม่เห็นพระนิพพานนะอย่าคิดนะว่าปัญหาจะไม่ตามมามันก็ไม่เที่ยง เออจากครูไม่เที่ยงพักหนึ่งนะแต่อีกหลายสิบพักเนี่ยมันบอกเที่ยงเหมือนะเหมือนเดิ ม, มเหมือนเดิมเหมือนเดิมก็ไม่เห็นมีอะไรเลยเมื่อวานกับวันนี้ต่างกันตรงไหนเออแน่ใจนะมอันนี้พูนคิดจะไหมไม่ถ้าคิดก่อนหนะ้า น, นี้ก่อนนุมโมทนาด้วยไม่ว่าอะไรแอกเนี่ยนะ เ, ยนนเราว่าเออในวันเราไม่คิดนะว่าเมื่อวานสาวกับวันนี้อ่ะเมื่อวานคุณมารีวันไม่ได้มาเนี่ยพิเศษตรงนี้ก็ก็เขาเป็นอย่างนี้ท่านอยากคิดนะว่าสังขารทั้งหลายมันจะจีรังยั่งยืนมั่นคงถาวรอะไร เพราะเพราะว่ามันเป็นทุกขสัตย์เนี่ยนะแล้วก็ทุกขสัตย์เหล่านี้เนี่ยถ้าไม่แทงตลอดนิโรธสัจจะก็ยังยังไม่พ้นอะไรเพราะว่าทุกขสัตย์เป็นเดนไหลามาแห่ง ปัญหาพรนสังขารต่างหลายจิงเรียกพงจึงแปลว่าเป็นของปฏิกูลอย่างแท้จริงเนี่ยเป็นของปฏิกูลอย่างแท้จริงทีนี้การที่จะค้นคว้าวิจัยเนี่ยนะจนแห่งตลาดพระนิพานเ น, นี่ยวิจัยด้วยอะไรด้วยเรียมรักอันประกอบไปด้วยองแปดนั้นแต่ละอารมณ์ที่เกี่ยวข้องก็ต้องเกเรมรัมมกมีองแปดคุณการตาตอบยังไม่เคยประทับใจเลยวันที่มามันก่อนเดี๋ยวไปทำรายงานวันหลังใหม่นั่นนะว่าเอเห็นอย่างนั้นเกเรมรัมมกมีองแปดบอกพ่อไม่จะพ้นทุกเนี่ยนะ เอาไปคิดใหม่อีกทีหนึ่งนะไปทบทวนให้ผู้การเน้งสอบให้ดีๆหน่อยพี่เลี้ยงเลยนะเอานี่โทนี้แสดงว่าขอจบแล้วไม่เรียนต่อแล้วอ๋อไม่เขาบอกว่าก็ตอบไม่จะทัดใจงไงบอกว่าไปค้นคว้าใหม่นะไปทำรายงานใหม่ว่าเอเห็นอย่างนั้นมันเป็นมัธยมปลายได้ยังไงเนี่ยนะ ก็มองมาง่ายๆเนี <Bea ug girl> ่ยมองเห็นอาจารย์สันตินี่คิดยังไงเป็นมักแปดเนี่ยนะเอาไปตั้งโจทย์แล้อย่างไงเอาพอไหมจะพ้นทุกข์อ่ะไม่พอมัเาเพิ่มคิดให้มันพอจะบรรลุอ่ะทันทีเห็นผิวไรเนี่ยเห็นยังไงจึงจะเป็นมักแปดเนี่ยนะนึกอย่างนี้ให้ได้บอกว่าต้องเห็นอาจารย์เกตตปั๊บเป็นมักแปดอยู่ตรงนั้นเลยเนี่ยเขาเขาละหาสัมพันธ์มันต้องท่องมักแปดให้ได้ว่านั่นมีอะไรบ้างไม่ใช่จะเอาแต่มักแปดแยังไม่รื่มักแปดมีอะไรบ้างอะไรยุ่งเลยนะ แล้วสมมาทิฏฐิเนี่ยนะบอกว่าเราจะมีสัมมาทิฏฐิและสัมมาทิฏฐิมีกี่อย่าง <sim ult ans> แล้วเออเนี่ยเราจะต้องคิดให้เป็นสัมมาสังกตปะให้ได้สัมมาสังกัปปะมีอะไรบ้างเนี่ค <c oughs> ืออะไรเนีย <c oughs> เ่ยนะไทยยังงห้เราเล่ายาวเลยแหละทำอะไรเนี่ยนะเราทั้งหลายก็เป็นอะไรนะเลืดนักเรียน อ, อยู่แล้วนะ <c oughs> ชอบเรียนอยู่แล้วก็ชอบคน้นคว้าชอบวิจัยอยู่แล้วถ้าไม่วิจัยเรื่องนี้ไปวิจัยอะไรวิจัยฝุ่นแทน วิจัยวิจัยวัตถะเทวนเนี่ยนะว่าถะทํายังไงจะอยู่ในวัตถะได้ยาวขึ้นดีขึ้นเร็วอะไรนะลึกมากแล้วหนุดยากเนี่ยนะก็ก็ทั่วๆั่วไปเขาไม่วิจัยโดยอารยสัตว์นะก็วิจัยเพื่อที่จะเศร้าวัตถะเนี่ยนะนี่ถ้าเห็นบ่อปลานะเขาเป็นชาวนาเขาคิดยังไงโอนี่ยนะถ้าได้ปลาเอาถ้าเห็นบ่อเนี่ยนะโอถ้าได้ปลามาเลี้ยงนะเปีนหนังขายได้หลายตังค์เลยนะเนี่ยพวกนี้คิดเลยไปนั้นนะคิดเศ้าวัตถะส่วนเดียวเห็นไหม ถ้าหากว่าเราไม่เลือกเฟ้นการใไข้ควรพิจารณาจนเห็นอริยสัจสีประการนะถ้าเราไม่เห็นจริงๆเนี่ยเรากับพระพุทธศาสนาดูท่าจะอยู่คนละฝักอ่ะถ้าถ้าหากว่าเราฟังอริยสัจไม่เข้าใจเนี่ยนะจนกลืคิดอริยสัจไม่ได้เอาอริยสัจมาโยนิโสมรสิกานไม่ได้เรากับพระพุทธศาสนาดูทาาด่าจะห่างกันมากก็ร่างกายอาจจะใกล้กันแต่ว่าใจนี่ห่างมากสังเกตจากแขกที่ที่ทกุสินาราวันก่อนนะ ถามวัดดูแขกนี่อยู่ในที่ที่ปริญญนิพานอยู่ใกล้หรือไกลศาสนาอโอ้ยไกลจริงๆเลยนะอยู่เมือนไกล อ, อะ่ะแต่จริงๆแล้วไกลไกลมากเนี่ยนะไกลมากจนใครจะเอาภาพไปเ้อมตั้งตกบค่าเสวยนะโอ้ยทําเป็นเรื่องราวใหญ่โตบางคนนึกว่าเป็นหมื่นเป็นแสนที่ไหนได้ตั้งร้อยรูปี <c oughs> เก็บค่าเสวยตั้งร้อรูปีเนี่ยนะบางคนนึกว่าแพงเท่ายอย่างนั้นโอ้ยต่างนานเลยไม่ต้องมาเสียเวลาคุยกันนานอะไรขนาดนี้หรอก ดูเรื่องรายใหญ่โตมากเลยนะที่นายได้ร้อยรูปปีเราแจกเด็กข้างทางเนี่ยมากกว่านั้นบางเยอะแยอะอันนี้ก็คือเนี่ยเป็นอย่างนี้แหละแม้กระทั่งว่าถ้าเราไม่เข้าใจอริยสัจนะหนึ่งถ้าเราไม่รู้คุณของพระพุทธเจ้าสองเราไม่ได้ฟังอริยสัจมาอย่างเพียงพอสามไม่ได้เอาอริยสัจมาตรึกให้มากๆเลยนะแล้วก็ตรึกก็ไม่ผู้ควรแต่การบรรลุอริยสัจนี้ก็ถือว่าห่างพระศาสนาตามสมควรแก่ แกฐา น, นะั้นข้อปฏิบัติที่เราทั้งหลายควรตั้งเอาไว้ในใจก็อยากจะแนะนำว่าโสตาปฏิยังค่าธรรมสี่ประการนี่แหละข้อปฏิบัติเพื่อให้เป็นพระโสดาบันนะสรุปทบทวนได้แล้วหนึนนหน่งครบสัตว์บุรุษสองฟังธรรมของศัตว์บุรุษสามโยนิโสมนัิการสี่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ทำ หรืปฏิบัติธรรมสมควรกับโลกุตรธรรมทีนี้ในการฝึกคิดเจริญเรื่องนี้ก็ต้องเอาอารมณ์มาตั้งก่อนเออเนี่ยอยากสงสัยพระพุทธเจ้าตอนนี้พองอยู่ที่ไหนปรินิพานแล้วอแล้วจะให้เราครบพระพุทธเจ้าคบว่ายังไร ค, ครบกับพุทธคุณคบกับพุทธคุณพุทธคุณก่อนพระคุณของพระองเป็นยังไงเช่นพระบริสุทธิ์ที่คุณพระปัญญาที่คุณและพระกรุณาที่คุณถ้าถ้าเรามองเห็นใครตัดนะ ได้เลยว่าพราะองค์เนี่ยมีกรุณาต่อบุคคล น, นี้พระองค์มีปัญญารอบรู้บุคคลเหล่านี้ทั้งหมดใช่ไหมพระองเกี่ยวข้องกับคนนี้โดยบริสุทธิ์โดยปราศจากกิเลสโดยสิ้นเชิงอ่ะนะคิดแบบนี้ก็ได้นะเจริญพุทธคุณได้แค่ ก, ก่อนนะให้ครบจัดบริสก่อนเขา้าใจไหมยมโตไม่ใช่นั่งใจรอนั่งอยู่ด้วยกันเนี่ ย, ยมันโตเขาไม่เป็นอย่างนั้นหรอกอันนะนร้นว่าใี้เห็นแครยังไงให้เห็นภาพปัญญาคุณของพระ อ, องค์อ่ะอาคนไทยไม่ได้เดี๋ยวเขาโกรธต้องแอบวิจัยคนไทยไต้องไม่บอกเขา นะสดงวาเเนี่ยเห็นเขาเนี่ยเห็นพระปัญญาของพองษ์ไหมพองษ์รู้อะไรเขาบ้างหนึ่งอาศยานุสยายานพงษ์รู้อาสวะอ่ะอัสยานุสย่าเขาหมดเลยสองพองษ์รู้อะไรอินรียะโปรปรยิยตญาณพองษ์รู้อินทรีย์ความยิ่งความหย่่งของอินทรีย์ทั้งหมดพองษ์มีสัพพัญญุตญาณรู้อดีตรู้อนาคตของเขาทั้งหมดเลยไม่มีส่วนหรือแล้ะพงษ์มีอะไรมีกรุณาสมาบัติญาณต่อต่อเขาอะนะถ้าเอาอัสาวาธนญาณมาคิดอย่างนี้ก็ได้นะหรือพองษ์เนี่ย เห็นเขาเนี่ยไม่มีราคะโทสะโมหะชาบทานเลยอันนี้แหละเต็มที่เราเรียกหนึ่งคบสัตว์บุรุษใช่ไหมสองแล้ท่านสอนให้เราทํำยังไงกับบุคคลมันก็ให้หนึ่งให้กําหนรู้ให้ล่าให้แจ้งทำให้แจ้งให้เจริญเนี่ยนะแล้วเราคิดอย่างนี้อยู่หรือเปล่าแล้วคิดอย่างนี้พอไหมที่จะบรรลุพอไหมที่จะทําโสดาปฏิผลให้แจ้งอะอันนี้ก็เรามาฝึกซ้อมๆมาไปทํา เอาไปทําการเจริญเอาไปวิจัยเอาไปพิจารณาดูอันนี้คือข้อปฏิบัติเพื่อให้เป็นพระโสดาบันทีนี้ถ้าเป็นพระโสดาบันแล้วล่ะถ้าเป็นพระโสดาบันแล้วนี่มีคุณธรรมอะไรบ้างก็มีโสตาปฏิยังค่าธรรมสี่ประการเรียกว่าองค์คุณของผู้เป็นพระโสดาบันสี่ประการหนึ่ง มีศรัทธามั่นคงไม่หวั่นไหวไม่เปลี่ยนแปลงในพระพุทธเจ้าสองศรัทธามีความเลื่อนสายมั่นคงไม่หวั่นไหวในพระธรรมสามมีศรัทธามั่นคงเลื่อนสายไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์สุดท้ายศีลเกี่ยวข้องกับอารมณ์อะไรนึกถึงศีลตัวเองได้นี่ถ้าเป็นพระโสดาบันแล้วเป็นอย่างนั้นไหเห็นอะไรก็เห็นศีลเพราะศีลของตัวอนี่อยู่ทุกขนทุกแห่งไปหมดเลยอยู่ไหม ถ้าเป็นพระโสดาบานะันนั้นมีศีลอยู่ทุกขนทุกแห่งไหมมีเพราะท่านเห็นอะไรท่านจะไม่มีการคิดล่วงละเมิดศีลเด็ดขาดเพราะท่านรู้จักศีลของท่านท่านรักษาทรัพย์คือศีลเป็นอย่างดีแล้วก็พระโสดาบันเนี่ยไม่มีมัจฉัยะเนี่ยนะอ่าในในโดยเฉพาะการเจริญกุศลเนี่ยถ้าผ้าโสดาบันนี่ไม่ไม่มีมัจฉัยยะอยู่เลยเนี่ยนะที น, น, น, น, นี้ถ้าเป็นพระโสดาบันนะั้มาดูตัวอย่าง พระเจ้าสาร์การนี้นะเมื่อวานไม่ได้อ่านคือเจ้าสารการนี้ก็คือเป็นพญาติของพระพุทธเจ้านั่นแหละกบิลพัฒนิทาน น, น, นะนะกบิลพัฒนิทานว่าสมัยนั้นเจ้าสักยะพระนามว่าสารการนี้ซึ่งพระชนพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพยากรณ์ท่านว่าเป็นพระโสดาบันมีความไม่ตกต่ําเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงที่จะตรัสรู้ในเบื้องหน้า บางได้ยินมาเพื่อเจ้าสักยามากด้วยกันก็มาร่วมประชุมพร้อมกันแล้วว่ายกโทษติเตียนบนว่าน่าสัจจ ร, รหนอท่านผู้เจริญไม่เคยมีมาแล้วเนอท่านผู้เจริญบัดนี้ในที่นี้ใครเล่าจาักไม่เป็นพระโสดาบันนะเวิร์วายเลยนะสักยะวิวายเลยโอ้เจ้าโสระกาไม่เป็นพระโสดาบันได้ยังไงท่านผู้เจริญใครจะไม่เป็นพระโสดาบันว่างั้น ใครเล่าจะไม่เป็นพระโสดาบานันเพราะเจ้าสรารการน้สิ้นพระชนแล้วพระผู้มีพระพาตเจ้าเนี่ยก็ยังพยากรณ์ท่านว่าเป็นพระโสดาบานันมีความไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้บรรลุอริโสดาปฏิมรักแล้วก็แน่นอนที่จะบรรลุอริยมรรคอริยผลชั้นสูงอีกต่อไปเพราะอะไรเพราะเจ้าสรารกานี้เป็นผู้ทุรพลหมายคาอว่าทุรพลแบบว่าไม่มีกาลังใน สิกขาศิลห้าไม่ดีเพราะกินแต่น้ำเมาเนี่ยนะเสวยน้ำจำครั้งนั้นพระเจ้ามหานามะก็เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าก็กราบทูลเรื่องราวให้ฟังทั้งหมดถวายพระองค์พระองค์ก็ตรัสว่าดูก่อนมหาบทิธอุบาศกพูดถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสารณะตลอดกาลนานคือถึงพระพุทธเจ้าเป็นสารณะมานานแล้วว่าถือบูชาพระพุทธเจ้าเป็นสารณะมานานแล้วอย่างไรจะพึงไปสู่วินิบัต โอ้ผู้มีพระพุทธเจ้าเป็นสารณะมานาและมั่นคงในพระองค์มานาเล่เนี่ยนะอย่างสมัยพุทธกาลเจ้าสรการนี้เห็นพระพุทธเจ้าเป็นด้วยตาเนื้อเลยน ะ, ะก็ใช้ชีวิตฟังธรรมามากเนี่ยแล้วท่านอะ ท, ท, ท, ท่านจะไปสู่วินิบาต์แต่ยังไงว่างั้นก็บุคลลบบลลนนบคลเมื่อจะกล่าวให้ถูกพึงกล่าวอุบาสกนั้นว่าอุบาสกพูดถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสารณะตลอดกาลนานบุคคลเมื่อจะกล่าวให้ถูกพึงกล่าวพระเจ้าสรกาเจ้าสรกานี้ศักยะว่า เจ้าสารานิสักยะเป็นอุบาสกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะตลอดกาลนานอย่างไรจะพึงไปสู่วินิบัตอันนี้นี่คุณของสารณะใช่ไหมผงยืนยันเลยนะถ้าถึงพระพุทธเจ้าเป็นสารณะจะปาบายได้หรื อ, องไงเป็นตายไม่ได้หรอกเพื่จะไปสู่อาบายเน่ยนะของเราก็แสดงว่านี่มีมีได้สูตรหนึ่งเป็นหลักประกันใช่ไหม นะอีกสูตรก่อนที่บอกว่าผู้ที่มาไหว้สังเวชนิยสถานอด้วยจิตด้วยจิตที่ศรัทธาเลื่อมใสใช่ไหมชนเหล่านั้นจะไปสู่สุคติโลกสวรรค์อันนี้มาด้วยศรัทธาแล้วเราก็ยังมีสารณะอีกยังมีสารณะอีกโอ้คงไม่ไปสู่วิญญาณแบบไหนผู้ ก, การอุ่นใจได้เรื่องชักอุ่นไปเ ย, เยนะอะแล้วเนียตอนนี้อุ่นใจไม่เงาทางความคิดเลยยุ่งเลยดูก่อนมหาบาพิษบุคคลบางคน